ชิล อ, อยู่ริมหาดทรายนั่งยิ้มก็จากไปดันไปคิดถึงอยู่แต่เขาไอเราไม่อยากจะเงาเความไปถึงเธอผ่านลายแล้วก็ วนเวียนไปอยู่อย่างนั้นนะเมื่อไรจะส่งมาหาเธอช่างเหมือนจดเป็นดอกกุห ล, ลาบตอนเวลาเดินผ่านราใจกันดอกไม้รก้อแป๊ บ, บเดียวเธอก็ปล่อยมือจากทำให้ยืนตัวสัน่นเธอฟอนเนิก อ, ออกไม <My S 2> ผมยังสงสัยว่าทำไมโลกใบนี้ยังน่ารักไม่เท่าเธอไม่น่ารักเลยสักนิดมีคำถามก่อนที่ผมนั้นจะไป I wanna kiss นั่งชิว อ, อยู่ริม มหารสายนั่งยิ้มละจากไปดันไปคิดถึงอยู่แต่เขาไอเราไม่อยากจะเงาเพาความไปถึงเธอผ่านลายแล้วก็ผ่านไปมันวนเวียนไปอยู่อย่างนั้นเมื่อไรจะส่งมาหาอ่อนยอน ริมหากัน2คนคืนนี้โอเคไหมใครคนไหนที่กิดจแน่ไม่ต้องมาแย่งผมเกทับจะไม่ให้คุณโซเซซัดผมประเคนรับคุณมั่นใจได้เลยนะเว้ยตอนนี้ผมพร้อมจะเทนรักเป็นคนชอบก้าวขาเพราะผมไม่ชอบก้าวหน้าใครที่ไหนจะยุ่งมาเลยผมพร้อมห้าวมากอยู่กับผมนะครับตอนนี้ผมด้องเข้าข้างผมไม่ชอบเข้าหลังเพราะผมรักเข้าฟ้ากูัใครบางคนก็มาแย่งไปจะเก็บตั้งหาเงิแล้วก็รีบแต่จะรับเมาก่อสร้างทํางานทาเพลงทานํานทำนี่ต้องวัง all day จะทําทุกอย่าง ซื้อเบนโกโก้กับไปรับเธอเธอเลือกเรื่องกี่มองฉันพาไปทะเลโซส่าโซเซพากาันไม่อยู่ที่พาร์ที้ช่วงเวลาที่ที่ก็อยากจะมีมีกับใครบางคนที่คอยหงายกันอยู่เสมอไม่ต้องพูดคำหวานนี หาดทายนั่งยิ้มก็จากไปดันไปคิดถึงอยู่แต่เขาไอเราไม่อยากจะเงาาความไปถึงเธอผ่านลายแล้วก็ผ่านไปมันวนเวียนไปอยู่อย่างนั้นเมื่อไรจะส่งมาหาเออสีเธอเ n ็นเ the เธอไอเอ็น